m.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 ถึงจะมาบวชที่เมืองไทยได้การปฏิบัติที่เมืองจีนแต่ก่อนก็มีมีพระนะจากทางสุขโตไปสอนไปชี้ น, นำการปฏิบัติหลวงพ่อคาเข่งก็เคยไปอาตมาก็เคยไปอาจารย์โนตก็เคยไปนะโดนทั้งอา จ, จารย์ตรงหมิงด้วยแต่เดือวนี้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 เพราะความยากจนผู้คนก็คิดถึงเรื่องการนะหาอยู่หากินแต่ตอนนี้เศรษฐกิจของคนจีนจำนวนมากก็ดีขึ้นดีขึ้นมากนะมากอย่างน่าตกใจรวดเร็วมากนะเมื่อช้านี้ก็ได้ฟังข่าวก็รายงานว่าเนี่ยมหาเศรษฐีในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้มีจำนวนมากกว่า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 ช่วยบรรเทาความฟุ้งซ่านนะอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งต่อไปก็คงจะเกิดขึ้นในประเทศจีนเมืองไทยเราก็มีคนป่วยเพราะเหตุแบบนี้เยอะดี๋ยวนี้ป่วยกันเยอะมากนะโรคทางใจซึมเศร้าจนบางคนเรียนหนังสือไม่ได้บางคนเรียนเรียนแพทย์ปีหานี้ก็นี่ได้ข่าว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 ก็มีคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าเนี่ยมีสั ญ, ญลักษณ์นะอยู่ตรงอตรงผนังที่วางรองเท้าอ่ะไอที่วางรองชั้นวางรองเท้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นนะเป็นรูปสั ญ, ญลักษณ์หยินหยางก็มีคนถามว่ายินหยางนี่มันมีความสําคัญอย่างไรกับที่นี่หรือเปล่า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 ใกล้เคียงกับพุทธศาสนาร้วนทั้งคาสอนของหลวงพ่อเทียนหลว่าคําเขียนด้วยสัญลักษณ์นี้มันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสิ่งตรงข้ามกันนี่ยมันก็อยู่ได้กันสิ่งตรงข้ามมาไม่ได้แยกจากกันในทุกสิ่งเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามอยู่ด้วยกันเช่นในหญิงในหญิงก็มีชายในชายก็มีหญิงหรือว่าถ้าย้อนเข้ามาถึงพุทธศาสนาหน่อยนะ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 ไม่ใช่ว่าไปตายตอนหมดลมนะความตายก็เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องนะและสุดท้ายเนี่ยมันก็นำไปสู่การสิ้นลมนะหมดลมหัวใจหยุดเต้นอันนี้เรกว่าความตายมีอยู่ในชีวิตนะความแก่ก็อยู่ในความหนุ่มสาวนะคนเราเนี่ยแม้แต่เป็นเด็ก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 เราลองนึกเสีอะไรที่สั้น่ะนะอาจจะเป็นเข็มเนี่ยนะเข็มเราบอกว่าเข็มสั้นนะแต่ถ้าเอาเข็มนี่นะไปเทียบกับซิมก็ได้เนี่ยเข็มมันก็กลายเป็นยาวขึ้นมาเลยไม้เม็เนี่ยเราว่ามันยาวนะแต่พอไปเทียบกับเสาไฟฟ้านี่มันกลายเป็นสั้นเลยสั้นกับยาวอยู่ด้วยกันนะ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 มันจะเริ่มไม่อร่อยแล้วจากอร่อยก็เริ่มเป็นเฉยๆแล้วถ้ากินต่อไปนะมันก็เริ่มเบื่อกินต่อไปอีกก็เริ่มเอียนแล้วแล้วถ้ายังยังไม่เลิกกินนะมันก็จะอาเจียนเลยเรียกว่าความไม่อร่อยเนี่ยมันก็อยู่ในความอร่อยอาจันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยนะในสุขก็มีทุกข์แต่ในเรอเดียวกันในทุกข์ก็มีสุขนะในทุกข์ก็มีสุข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 ที่เขาอยู่ลําลบากลาบากเนี่ยแต่ว่าเขามีความสุขเอาตรงข้ามนะคนรวยนะร่ํารวยมากมายร่ำรวยแบบมหาเศรษฐีเลยกับทุกขนะนะทุกเป็นเพราะโรคเครียดเพราะวิตกกังวลนะอันนี้ว่าในสุขมีทุกแล้วก็ในทุกก็มีสุขคนที่อยู่ลําบากอัตคัดเนี่ยเขามีความสุขก็มีเยอะนะเวลาเราไปเนะี่ยไป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 เราสามารถที่เปลี่ยนทุกข์ใจเป็นความไม่ทุกข์ได้เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเราไม่เอาแต่บนโวยวายติโพยติภายเนี่ยเราพิจารณาความทุกข์นะเราจะเห็นเลยนะว่าอะไรคือสมุทยัยอะไรคือสาเหตุนเะความทุกข์ใจเนี่ยสาเหตุก็ได้แก่ความยึดติด ถ, ถือมั่นนะหรือได้แก่ตัณหาหรือได้แก่กิเลสอวิชชา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 หรือว่านําไปสู่ปัญญาเนี่ยนะมันยิ่งทําให้หลุดจากทุกข์ได้เลยนะความทุกข์นี่มันนะมันจะกลายเป็นหนทางไปสู่ความไม่ทุกข์ได้ทันทีหลวงพ่ออมเกล็นเคยพูดเนี่ยนะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เห็นทุกข์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยสติเท่านั้นนะเห็นด้วยปัญญาพอเห็นทุกข์เนี่ยมันก็พ้นทุกข์เลยเพราะว่ามันรู้แล้วว่าทุกข์เพราะยึด ทุกพอยึดนะีพอวางมันก็หายทุกพ้นทุกอาจารย์กับพลทองบุญมซึ่งเป็นคนพิการนะไม่ได้พิการแต่กำเนิดพิการตอนที่ยังหนุ่มยี่สิบสี่ปีแต่ตอนหลังก็ออกจากความทุกได้กายยังพิการอยู่แต่ใจเนี่ยนะไม่ทุกแล้วอาจารเคยพูดว่าเนี่ยขอบคุณความทุกนะเพราะความทุกทำให ความทุกข์ทำให้รู้ทาให้รู้จักนะทางออกจากทุกขนะ์ความทุกข์เนี่ยมันจะมันจะแสดงนะมันจะเปิดเผยทางออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรานะเวลาเจอทุกข์เนี่ยนะอย่าไปจะอย่ า, ยามัวตีโพยตีพายหรือจะไปรังเกียจนะตั้งสติให้ดีแล้วก็ดูนะ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 ถือเป็นการปฏิบัติเป็นหมดนะไม่ใช่ว่ามายกมือสร้างจังหวะเอานะกันตอนหลังฉันหรือว่าก่อนทำวัดเย็นพออาบน้ำก็เลิกถ้าไม่ใช่นะมันต้องทำตลอดไม่ว่าจะอยู่ในเรืยองปวดใดก็ถือเป็นการปฏิบัติเรียกว่าทำจริงๆนะแต่ว่าใจเนี่ยนะมันปล่อยวางไม่ได้ทาด้วยอาการหน้าดำขําเคร่ง